เพื่อนอุตสุตปมะมณีและญาโยทุกคนตั้งใจฟังการทำว่าเท่าสัส้นๆเมืเ่อเยาะๆเมื่อทำว่าเท่าเสร็จแล้วก็จะแนะนำนว่คือปฏิบัติเพื่อทำกรมเข้าใจการปฏิบัติธรรมะนั่นต้องปฏิบัติตัวเองให้เข้าใจและแก้ไขตัวเองดัดแปลงตัวเอง ให้มันตื้อให้มันตรงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าตรงกับวันขึ้นสองค่ำเดือนสามดังนั้นจีนว่าอยากแนะแนววิธีที่ทำให้พวกเราได้เข้าใจมันชจะปฏิบัติธรร ม, มาตามอารมณ์ตามใจชอบ ถ้าตามอารมณ์ตามใจอชอบแล้วมันคิดอย่างไรชอบอย่างไรมันก็จะปฏิบัติอย่างนั้นความรู้ความเห็นความเข้าใจมันก็ออกมาอย่างนั้นสำหรับตัวของผมไปปฏิบัติธรรมะเป็นโยมแล้วก็มีพระยี่สิบสามลูกมีโยมห้าคนเป็นโยมภูายสองคน ไปโยกผู้หญิงสองสามคนปฏิบัติธรรมรู้ไม่เหมือนกันเพราะคนเห็นไม่เหมือนกัน เ, เ, เนื้นตางกระทำก็ไม่เหมือนกันเป็นตัวผมตัวหลวงพ่อเองรู้ไปอีกอย่างหนึ่ง ไ, ไม่รู้เหมือนกับเพื่อนๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับเพศหญิงเพศสาวหรือเพศพระสงองค์เจ้า ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใดทั้งหมดเลยรับรองอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเจ้าของรู้เห็นเข้าใจซาบซึ้งดีแล้วก็รับรองหมดทุกคนต้องปฏิบัติได้จะเรียนหนังสือรู้หนังสือก็ปฏิบัติได้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้ก็ปฏิบัติได้คนจนคนรวย ปฏิบัติได้เหมือนกันจะก็ลรู้ได้เหมือนกันเปอย่างนี้ดังนั้นจึงการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อลดละตัวเราเมันเสเพิ่มความเห็นตัวเราให้เป็นมานะเป็นผิวหนในไปอย่างนีน้มีการแก้ไขตัวเองใครจะพูดยังไงก็นับฟังได้และพยายามแก้ไขคําพูดตัวเองและพยายามแก้ไขตัวเอง อย่างนั้นอยู่ตลอดการแก้ไขาตัวเองเนี่ยแต่เดิมมันก็ต้องเป็นเน้นกุบางาการเคลี่ยนตีให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้บางครัง้งบางเขามันก็กนวาอย่าทำไม่เป็นอยงนั้นคือว่าการปฏิบัติธรรมะนี่มันก็ไม่เหมือนกันคมหูมันก็ไม่เหมกันในสมัยนั้นไปปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อบรรทองสิงค์พี สนท่านเป็นประทําเพอเมื่อมุดกระเสียนท่านก็มาบวชคบกระเจียนเพราว่าได้มุดกระเจียนกับไม่ได้มาบวชก็เลยมาสอนวิธีของยุบแล้วกับพองยุบนั่นก็ไม่ใช่วัดพองหน่อยยุบหน่อ ย, อยโดยเฉพาท่านให้ภาวนาตายหายใจเข้าให้ว่าตายหายใจออกให้ว่าตายเราเนี่ยทำ ม, มันก็รู้อย่างนั้นบางคน บางคนเขไม่รู้อย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมะสําหรับตัวของผมตัวของหลวงพ่อรู้ตัวหลวกพ่อเองการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดพอรู้ถึงรูปของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรพันที่จริงพอรู้เรื่องรูปเรื่องนามมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะปนแ ป, ะปรพันไปทำไมมันก็เห็นอยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้รู้เรื่องรูปเรื่องนาม เรื่องรูปโลกนามโลกอย่เป็นแล้วก็รู้เรื่องทุกขังอนิจจังสตารู้อันนี้รู้จริงจริงรู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรูบุญเมตบาปมากที่สุดคือไม่รู้ตัวเองนี่เองเนี่จะทําบุญให้ทานลักนาสิงทำกรรมฐานจะเลยได้ปรัชนาอยู่กับต่างถ้าหากไม่รู้ตัวเองแล้วก็บาปมากที่สุดเข้าใจ บุญมากที่สุดคือรู้ตัวเองจะไม่ให้ทานไม่ลักษาสีลไม่ทํากรรมฐานไม่เจริญยิ่งศสนาคอยตากหากรู้ตัวเองเก็ดบุญมากที่ทสุดบาปเป็คืองโง่นั่นเองบากคือมือบากคือไม่รู้บาปคือทุกข์บุญได้เปตรงกันข้ามบุญคือรู้บุญคือสลาบ บุญคือเข้าใจบุญคือไม่หลงบุญคือแจ้งบุญคือสวางจะว่าอย่างไงก็ได้เลยรู้จักวิธีทําบุญมันเกิดขึ้นมาทําบุญต่ออนุขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยโอ้ทําบุญมันเกิดไม่ก็หมายถึงบุญก็คือไม่ทุกนันเองไม่ทุกเลยหมดทุกในทําบุญมันเกิด ทำบุญต่ออยุก็โอ้สบายใจอายุเฮ้ยีวิตของเรา ล, าล่าเริงบันเทิงใครจะพูดเรื่องอะไรก็สบายใจมันเข้าใจไปอย่างนี้แต่เมื่อเข้าใจแล้วมันไม่หลงมาแม่นเลยมันเลยกราบตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ใครจะพูดยังไงก็ยกมือไหว้ตัวเองแต่มันเป็นการยกมือไหว้เพื่อนทั้งหมดเลยแต่กลุมจริงเห็นว่าตัวยกมือไหว้ขึ้นมา ไหว้ตัวเองจริงๆกลาบตัวเองจริงๆกราบพระพุทธรูปก็ตามกราบอะไรก็ตามแต่เห็นตัวเองว่ากลาวไหว้จริงๆจึงว่าเป็นทางกลาบตัวเองไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองจริงๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจริงๆคืการแก้ไขตัวเองอาศัยการฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงๆแนะนําให้รู้ได้เป็น อย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่จจำได้แล้วไปปฏิบัติก็ได้อันนี้เป็นวิธีเบื้องแรกเป็นวิธีต้นๆเรีวยกว่าเป็นปฐมมาสารก็ได้เขาจะพูดตามตัวหนังสือตามคุ่ใบตามหรือจะไม่พูดว่าเป็นปฐมก็ได้พูดมันลูกครั้งแรกนี่เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจคำแรกนี่เรีวยก่เป็นการทําบุญก็เกิด เป็นการทำบุญต่ออายุต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องสมมุติแต่วิธีดูใจนี่ยากไม่เหมือนกับที่เราทําเคลื่อนไหวนี้ไม่เหมือนอีกเพราะจิตใจมันคิดเราไม่ค่อยรู้มันมันรู้เข้าไปในความคิดมันไม่เห็นมันไม่เห็นใจเลยคิดว่าอยากไปอันนั้นอยากมาอันนี้อยากทําอันนั้น อยากทําอันนี้อยากพูดอันนั้นอยากพูดอย่างนี้มันพูดไปเลยมันเลยไม่เห็นต้นต่อของกบคิดมันก็นอย่างไงกบคิดนี่เร็วที่สุดยิ่งกกไปฟ้ายิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวถ้าเราไม่รู้สึกตัวอยู่มันจะไม่รู้มันจริงๆอย่างที่เราเคลื่อนไหวเฮีเนี่ยเอามือวาดไปวาดมาทํามืออย่างมันยากเอียงซ้ายเอียงขวามันยาก พุ่มเงยมันยากคนอยู่ไกลๆมองไกลเห็นได้ <ừ. S 1> และเอียดเข้ามาคือทิกตาไปท <ừ. S 1> ิกตาไม่ละเอียดเข้าไปนีงว่าเห็นของยากแล้วก็เห็นของละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนมองไม่เห็นแบบนีหายใจไปคนก็ยังมองเห็นได้ <ừ. S 1> หายใจเข้ามันจะออกมันก็ยังมองเห็นได้ <ừ. S 1> ตัวเองก็เห็นตัวเอ ง, เเองก็รู้ได้พุ่มคิดนี่ ไม่เห็นเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจผมคิดเลยแต่รู้รู้ว่าคิดคิดทำนาทำสวนคิดอยากได้เงินอยากได้ทองอยากดีคิดแต่หักไม่รู้เป็นออยังไงแต่คนอื่นอาจจะรู้แต่ตัวของผมไม่รู้จริงๆดังนั้นจะอยากขอแนะนำวิธีปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้เมื่อรู้ความคิดนี่แหละ รู้แล้วจิตใจมันสบายขึ้นเามากขึ้นน้ำหนักตัวเองร้อยกิโลอย่างน้อยที่สุดต้องหลุดไปแล้วหกสิบกิโลแต่ในขณะช่วงที่มันเห็นทีแรกมันเข้าใจทีแรกนะนึกว่าแปดสิบกิโลนี่หายไปเลยยังมากก็จะเหลืออยู่ภายกบบสสิบกิโลหรือจะน้อยกว่านั้นก็ต้องยี่สิบกิโลนี่เหลือ มันหนักใจมันไม่ใช่หนักตุดตมันหนักใจควมทุกแบบนี้เนี่ยสำคัญที่สุดพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจชอบไม่ชอบอะไรที่ประทะมันเป็นอยู่ไหนเนี่ <S <S เมื่อเห็นรู้เข้าใจแล้วอสิ่งเหล่านี้ก็เลยจือจางนะสมมุติก็มาทุกาน้ำตีเต็มกระป๋องนี่ย ถ้าเป็นสีดําหรือสีแด ง, งต่างมันเป็นเงาผ้าขามันจะติดเนื้อผ้าทั้งหมดเลยผ้ามันก็จะเป็นสีดําสีแดงตามเลยครับคนเราก็เหมือนกันถ้ามันโกรธเข้ามามันก็ดำก็แดงไปมันก็เลยไม่เห็นตั ว, ลวเลยมันไปเห็นแต่คนคู่้สู้หรือที่ไหนมันก็เลยไม่รู้เลยอย่าเข้ามาใกล้นะอารมณ์ไม่ดีนะกูโกรธนะัเน่เคยได้ยินไหมเคยพูดไหม เคยวะแล้วคันรู้จกว่ามันไม่ดีจะไปโกรธทาไมเอาทิ้งมัมันก็ดีแล้วทํำไมจึงไม่เอาทิ้งมัไม่ทราบเนี่ยนั่นแหละมันรู้เ่ยแล้วก็ของเน่าของเหม็นจริงๆอันโกรธอันแสดงอะไรเนี้ยมันเป็นยังไงปฏิบันิเพื่อให้ลดละอันนี้นี่เองขั้นที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นทูตสัญญาการแตะละแบบเป็นอยังไงเมื่อลดละอันนี้ออกไปแล้ว น้ำสีเป็นกระป๋องจะเป็นสีดำสีแดงก็าตามมันทูกไม้ไปแล้วหมดมันหมดมันจืดไปแต่คุณภาพไม่มีแล้วแต่ปริมาณมันเท่าเดิมเอามาย้อมผ้าขาวสีดำสีแดงก็าตามจะจะไม่จิดเนื้อผ้าที่จะจืดน้อยที่สุดนั่นเป็นย่างไงก็เลยรู้จักเออนี่ทางเดินไปหาพระพุทธเจ้า นี่คือพระพรุทธเจ้าต้นทางโดยนจะหาพระพรุทธเจ้าอยู่ที่นี่เลยเข้าใจธรรมะว่าทุกคนทําได้อย่างไรทำได้จริงๆขั้นที่สองมาไกลเลยเห็นรู้เข้าใจกิเลสปัญหาอุปทานไม่ไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยเป็นตอนเป็นตอนว่าอย่างไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นขั้นก็ได้เป็นตอนก็ได้ มันไม่เคยว่าจะเป็นอย่างที่เราเรียกตำรานะสันส้นๆเลย่อนอยพอรู้แล้วมันหายไปรู้แล้วมันหายไปนี่ว่รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่บอยู่กับสิเหล่านั้นไม่เพอย่างนี่อายุสี่สิบหกปียังรู้เลยนี่มาแม้เราแบกหนักแบกบหนาสู้ทุกข์กับมันมาตั้งแต่หลุดจากทองแม่มาไม่เคยรู้มันเลยไม่เคยอัศนะมันได้เลย ตั้งแต่บัดนั้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันมาก็จะว่าเอาชนะมันได้บางครัง้งบางครั้งกอมันก็มาสู้เราเกือบแพม่นก็มีแต่นึกว่าจะไม่แพ้น่ยต้องเอาชนะแต่ก่อนไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทําบุญรักษาศีกนึกว่าเอาบุญไม่รู้บุญเลยทําความสงบกันนึกเอาบุญแต่ทาความสงบไม่รู้คนสงบสงบี่ ตั้งแต่วันนั้นมันก็เลยรู้บุญรู้ความสงบได้จริงๆความสงบหมายถึงไม่ให้มันโกรธมากนี่แหละหรือไม่ให้มันโกรธเสียเลยนี่เนี่ยยกวโทสะเนี่นี่แหละบุญแท้เนี่ยเป็นบุญ่แท้ใครรู้อันนี้แหละเป็นบุญคันท่าหาว่ายัางไม่เข้าใจอันนี้ยังไม่เอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เขเรียกว่ายัางไม่เป็นบุญเป็นบุญน้อย ดังนั้นพวกเรามาเจริญที่นี่เป็นวิธีการคือให้ทำจังหวะาคลืนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นที่แรกต้องเรียนวิธียาบๆทิศมือเคลื่อนควบมือลงยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เลเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้สึกตัวนานๆ้าก็ต้องทิศตาหายใจให้รู้ มันจะค่อยเป็นเองมันนี้มันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้พอดีมันเห็นมันรู้มันถูกหยุดทันทีผมคิดเหมือนกับตัดวงจรพอได้ตัดขาดออกมาแล้วมันก็ไม่ติดกันอันนี้แหละให้เราเข้าใจอย่าไปติดสมมุติมากเกินไปและอย่าไปทำลายสุดมากเกินไปในช่วงแรกนับถึงแต่ทำกับดวงพรวนทนับถึงแปด เพราะตัวเองเคยรับสิ่แผลมาเป็นอย่างไงวัด น, นี้อาจจะรับสินงเขาได้มารับสินงเขาได้ถ้าปฏิบัติอย่างเนยให้เวลาเลยเพราะว่าตัวเองรู้ของจริงแล้วก็ต้องกาหนดคนมาปฏิบัติให้ระยะเวลากําหนดให้จริงๆริงเนถ้าทำให้มันติดต่อกับจริงๆเนี่ยแล้วกให้เสื้อฟังในวิธีพูดนั้นเท่านั้นเองแล้วไปปฏิบัติเอาเองเอาอย่างนานไม่เกินสามปีรู้ขึ้นมาจริงๆ ไม่มากก็น้อยทีเดียวอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันเธอเก้าสิบาทำให้มันติดต่อกันจริงๆคนะวามมืด อ, อกมืดใจนะี่นะจะค้อยบางไปเมือความหนักอกหนักใจเนะี่ยจะค่อยบางไปคำว่าบางไปนะี่กับพอที่จะเข้าใจไหมเข้าใจไหคว่าบางไป ลลอันลดลงนั่นเนี่ยทางเเข้าใจแต่ลดลงนั่นเนี่ยคืเบาไปสมมุติมันหนักมันก็ค่อยเบาไปหนี่งจืดจางไปหนึ<ม>่งิธีปฏิบัติอย่างไรทำอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ทีแรกต้องไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์คนที่รู้มาจริงนั้นดังนั้นรู้เรื่องนี้มาครูบาอาจารย์ไม่ เ, เข้าใจพูดให้ฟังไม่ เ, เข้าใจเลยดังนั้นการฟังคําพูดของหลวงพ่อเนี่ย ไม่มากไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเข้าใจน้อยจะยังงต้องอาศัยการฟังหลายครั้งหลายหนฟังบ่อยๆอมเมื่อรู้แล้วมาพูดกับบ้านหรือว่ามาพูดกับลูกกับเมียมาพูดกับพี่กับน้องมาพยายามให้พ่อแม่พี่น้องคนเข้าคนเกิดบ้านของตัวเองปฏิบัติหน รู้เหมือนกันแต่ว่าค้ากับไวตกันแต่คนที่รู้หนะ่อวิธีที่หลวงพ่อทำอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนหลวงพ่อไม่ได้ทำอย่างนี้ให้ทาให้มันรู้เองนานนึกว่าทำแล้วมันจะรู้ ท, ทันทีหลวงพ่อไปปฏิบัติมันไม่นานเนี่ยเด็เดียวรู้เลยไม่ เ, เด็กเรียกอย่างที่พูดเลยนะไม่นานไปขอกรรมฐ า, านจากหลวงพ่อวันทอง เมือม่อแปดคำเมื่อสิบคำสิบเอ็ดคำก็รู้เลยไม่นานเนี่ยบัดมาสอนแม่บ้า น, น15สิบห้าวันยังไม่รู้ยังไม่รู้นึกว่ามันจะรู้เหมือนกั น, มนไม่รู้จำเป็นต้องคอยแนะนายัยให้มันรู้เ อ, เองไม่ไม่เลาเลยคอยแนะนเดี๋ยวนี้อ่ะไม่นานเลยคิดว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้ว แต่วิธีที่แรกนี่ต้องนงองั่งสร้างจังหวะให้มากคิดว่าไม่เกิดสิบวันจะรู้เรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกที่ตายเห็นจับทุกด้วยมือเนี่ยรู้จริงๆเรื่องสีเรื่องเทวดาในรู้จริงๆแต่อาศัยผู้ที่รู้แนะนำให้เออแต่เรื่องรูปความคิดเนี่ยให้เวลาอาไว้ อย่างนานน่ะไม่เกินนี่สิแลรคิดว่าไม่เกินสามเดือนนี่ไม่เกินเข้าสิบวันลูกเพราะว่าออยแนะนำพยายามทำให้มันดีจะเดินจนผมให้มากตอนนี้พอดีรู้รู้ลบู้นามแล้วก็เดินจนผมให้มากพอดีรู้ผมคิดว่ามันจะค่อยเป็นไปเป็นไปเหมือนกับที่เราเทนม้มหรือฝนตกก็ได้ฝนตกไปยอดภูยอดเขาตก ที่ไหนก็ตามแหละน้ํานั้นมาจากค่อยซึมลงไปที่ตับที่ที่ลุ่มตรงนั้นแ่ะมันจะรวมตัวกันเข้ามันจะเป็นคลองมันจะเป็นน้ําไหลออกมาเป็นคลองไหลลงไปทะเลเหมือนกันมากเข้ามากเข้ามันจะรู้อันนี้แหละมันจะเิดตามางกันรู้หายใจบางกันรู้คิดมันก็นรู้มันจะรวมตัวกันเข้าเมื่อรวมตัวกันเข้าแล้วมันจะเป็นน้ําสายใหญ่ขึ้นเป็นน้าสายเดี่ยวขึ้นมันจะ เอาเหอะเอาขยะที่พวงหน้านี่ออกไปให้หมดได้จริงๆไม่เป็นไงพอดีรู้เรื่องยิเลสตัณหาอุปทานนี่แล้วก็เลยเห็นรู้เข้าใจเรื่องสิงขึ้นมาจริงๆไม่ใช่สินงห้าสิแสิ่งตสิสองรอยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สิ่อันนี้สิ่คือเรื่าตัวเองทีเดียวเรียกว่าสิ่ขัน สมาธิขันปัญญาขันมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอยู่อย่างไรมันแรบแน่นฝังอยู่อย่างนั้นตลอดจะนึกจะคิดมันก็เป็นไม่นึกไม่คิดมันก็เป็นมันก็เห็นมันก็รู้ถ้ามีคนมาถามเรื่องนี้มันรู้ขึ้นมาทันทีมันเห็นขึ้นมาทันทีนื่มันเป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดจริงวะพยานพยามทําจริงๆจะเป็นคนเกียกล่อมจะเป็นคนละเลยต่อหน้าที่ อันนีว่าเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องทำจริงๆงพ่อไปปฏิบัติแล้วกับคิดว่าไม่ไม่ตื่นสาวไมเกินตีสองตีสามคนลุกแล้วทำแล้เดินชม ก, กมบ้างนันงง่งส้่งสงหวะบ้านทำอย่างนั้นเคลื่อนไวหวตลอดเวลาลวมนันก็เลยเข้าใจทำให้หมดทุกทจริงๆ